วันนี้เป็นวันที่25กันยายนพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อออกไปอุดรไปทําธุระสองสามอย่างไปที่แรกก็ไปดูบ้านพักเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลก็งานก็ไปรุดหน้าไปเรื่อย ก็พวกเราก็ได้หลวงพ่อได้เอาจตุปัจจัยของวัดที่ศรัทธาญาติโยมถวายแล้วก็เอาไปมอบให้กับพวกคณะช่างกรรมการที่ก่อดูแลาการก่อสร้างเมื่อวานสองแสนบาทนะ่าคณะศรัทธาญาติโยมปัจจัยนี่แหละผู้ที่ทําบุญผ่านวัดของเราเราเอาไปร่วมสร้าง ที่พักให้กับคนคณะญาติผู้เยี่ยมไข่โรงพยาบาลสูงอุดร อ, อันนี้เป็นครั้งที่ห้าแล้วทีละสองแสนสองแสนรวมแล้วเป็นหนึ่งล้านให้ไปหนึ่งล้านแล้วก็กระเบื้องที่ศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายมาเราก็เอาไปทั้งหมดหกร้อยกว่ากล่องไปหมอกไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือ งานก็หลุดหน้าไปเรื่อยๆจวนจะเสร็จแล้วละ่ะหลายเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าออกพรรษาเนี่ยถ้าไม่เสร็จก็สักหน่อยละ่ะงานที่พักเรียกว่าห้องน้ำให้กับพวกญาติโยมลูกหลานที่มาเยี่ยมไข้ไม่มีที่พักผาอาศัยโรงพยาบาลศูนย์อุดร พอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมคนแก่แล้วก็คนเจ็บคนแก่ก็คืออายุ80บกว่าป่วยสองตายายพนหนึ่งพูนหนึ่งก็เป็นนายทหารขั้นพันโทแล้วก็กเกษียณแล้วก็ป่วยอายุ80บกว่า โอ้ไปเห็นแล้วก็จะไม่รู้จะทำยังไงพูดยังไงออกนอนมีแต่กระดูกพร้อมแต่ลูกก็บอกว่าเหมือนเป็ น, เ ป, น, เ, ปน เ, เป็นเด็กไปเรื่อยๆอยงั้นเหมือนกับอาการของเด็กแต่ส่วนคุณนายแม่บ้านก็ยังช่วยตนเองได้อยู่แปดจิบกว่าเหมือนกัน แต่พ่อบ้านเป็นอมะพึกมาสิบกว่าปีแล้วจากนั้นก็ ล, กกลกกูกอีกลูกเขยอีกก็เป็นอมะเพิกอีกช่วยตนเองไม่ได้ไปเห็นแล้วก็โอ้อันนี้คือจะว่ายังไงไม่อยากจะเกิดในโลกนะพูดง่ายๆถ้าไม่พบไดไม่พบไดก็ต้องชาตินึ่งละ ถ้าเราเวียน่หวตายเกิดในวัฏสงสารไม่เจอครั้งใดก็เจอครั้งหนึ่งเพราะเราเกิดมาถ้าเกิดมาในกลุ่มบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ได้ทาความชั่วเราก็ไม่วิบากกรรมเหล่านั้นจะไม่มีเพราะเราทำแต่กรรมดีแต่บางครั้งเราเกิดอาจจะถลําไปในทางชั่วหรือยุคศึกสงคราม อ, อย่างเนี้ยเราก็ไม่คิดจ ะ, จะทำชั่วหรอกอแต่มันเหตุการณ์พาเป็นพาไปเราอาจจะทำความชั่วในช่วงนั้นจุดนั้นแต่ถึงจะทำยังไงก็ตามกรรมชั่วมั น, นก็จะต้องมาให้ผลเมื่อมาให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังก็อย่างที่เห็น ไปเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายเมื่อวานก็ไปงานศพอีกอายุ8ปปีเป็นงานพระราชทานเพลิงที่วัดโพธิสมพรอันนี้โอ้โหศรัทธาญาติโยมยอดญาติญาติโกหกติการู้สึกมากล้นหลามจนเกือบจะหาที่จอดรถไม่ได้ที่วัดโพธิสมพรเมื่อวานขนเยอะ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่กเกษียณไปแล้วทั้งสามสี่คนมาเมื่อวานทั้งนายทหารด้วยทั้งทหารบกทหารอากาศรู้สึกว่าคงจะมีหมู่พวกเพื่อนมากเมื่อวานกันหลวงพ่อไปคงจะไปช้าไปนะแต่ตามให้จริงเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้หลวงพ่อแสดงธรรมจากนั้นก็ให้หลูกผมพ่อสมหมายวัดชัยวานเป็นองค์แสดงธรรม หลวงพ่อไปก็ไปนั่งแต่เขาก็ให้หลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับพระไตรมหาบังฑ์สกุลคนสุดท้ายท่านผู้วาราชการจังหวัดอุดรท่านเสรีจิตรเกษมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสเมื่อวานไปเห็นทั้งแก่เห็นทั้งเจ็บเห็นทั้งตาย ทีว่าทูดทีว่ทูตทูดบอกข่าวว่าทุกคนที่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่แหละตั้งับแต่ตั้งแต่หลวงพ่อเป็นตนไปพวกเราจะต้องพบต้องเจอแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่ดีพ้นไปได้โยมที่ตายเมื่อวานนี้ก็คุณโยมที่ตายที่ว่าพระราชทานก็แปสิบปี โยมที่ป่วยนี่ก็80กว่าปีทั้งคู่คนหนึ่งก็ประมาณ60กว่าปีนี่แหละอันนี้คือเทวทูต่หพยาพญามัจจุราชส่งทหารเข้ามาหลังแกหรือหลังควานหรือมาแย่งชิงกายนกายนครคอกายยนครคคือคือเรื่องของกาย แย่งมาแย่งจิตเวทยพยาจิตพยาจิตพยาจิตรราชพยาจิตรราชก็คือใจครองกายยนครถาว่รพยาจิตรราชกรองกายยนครไม่ได้คิดอ่านไม่ได้สแสวงหาคุณงามความดีไม่สแสวงหาบุญก็เหมือนพยาจิตรราชไม่ มีแต่ลืมตัวกินเหล้าเมายาสมะเลเทเมาอะไรทุกอย่างไม่ได้แสวงหาไม่ได้วางแผนอนาคตตนเองไว้ในเมื่อพญามัรจุราชส่งทหารเข้ามาตีเมืองพอตีเมืองแตกแล้วพญาจิตรราชาหางจุกตูดหรือถ้าเป็นหมานะไปปิ้ ง, ปงไปที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี่ไม่มีสมบัติติดตัวเลย เพราะมันได้คิดไว้ก่อนนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใขว่ควรทบทวนลหลายรอบอย่าไปให้กิเลสดึงไปทีเดียวท่านเราคิดไม่รอบคอบ่เดี๋ยวกิเลสมันดึงไปนะอเดี๋ยวโอ้ เป็นอย่างั้นเป็นอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้น เ, นนนน เ, นนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทีท่วนแต่เราคิดทีท้วนแล้วกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนั่งสมาธิกรองอีกดูอีกให้ทีท้วนจากนั้นเราจะรู้แล้วก็เมื่อรู้ได้จะทำยังไงก็ปฏิบัติตนสํารวมกายวาจา ตามแนวแถวของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนยังไงจากนั้นเราก็ได้ปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วนั่นแหละเราจะรู้เห็นผลนเมื่อเห็นผลจากนั้นแหะเป็นการสังสมอันไหนเป็นคุณงามความดีเราจะทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่มันชั่วช้าเสียหายเรือดซามที่มันไม่เกิดประโยชน์ เราจะไม่ทําสิ่งนั้นนี่แหละถ้าเมื่อเรารู้ได้เห็นได้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ย่างว่าสนุกสนานเพลิดเพลินไปเป็นวันวันมีแต่ทะยาน อ, อ, อยากอยากเป็นนั้อยากเป็นอยากกล่ําอยากรวยอยากสวยอยา ก, ยยา ก, ยยากงาม อ, อยากไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าไม่คิดว่าอีกสักวันหนึ่ง ไม่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าแล้วจะเป็นยังไงนี่แหละถ้าเราคิดอีกสักวันหนึ่งนะข้างหน้าข้าจะเป็นยังไงเป็นอย่างที่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังไหมนี่อันนี้เมื่อเราคิดไปอย่างนั้นเราก็ต้องกลับมาเออคุณงามความดีบุญกุศลข้าพรเจ้าเป็นที่อุ่นใจละอย่างที่จะต้องเดินทางไปภายภาคหน้าถึงข้าจะเชื่อได้ไม่เชื่อก็เถอะ คนทั้งหลายก็เห็นตายให้เห็นอยู่แล้วแต่เมื่อตายไปแล้วนะ่ะเกิดหรือตายแล้วศูนยะ์ค่ายังไม่มั่นใจแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันมาแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยืนยันอีกเราเพียงแต่ว่าทิฐิมานะกิเลสภายในใจของเราท่านั้นเองไม่ยอมรับมันจริงหรือเปล่าในเมื่อครูบาอาจารย์ ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเคยโกหกใครไหมท่านเคยเอารัดเอาเปรียบใครไหมท่านเคยฆ่าเคยลังแกคนอื่นไหมท่านไม่เคยในเมื่อท่านไม่เคยท่านคงจะคงจะไม่โกหกเราในเมื่อท่านไม่โกหกเราเราควรจะปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนดูสิเป็นยังไงนี่แหละอันนี้คื อ, คอเราตั้งความเชื่อไว้ก่อนเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ลงมือปฏิบัตินั่งสมาธินั่งพยายามนั่งให้นานดูใจของตัวเองดูกายของตัวเองกายคืออะไรใจคืออะไรกายก็คือร่างกายใจก็คือนึกตัวนึกคิดตัวผู้รูผู้รู้ผู้นึกคิดความรู้ น, นั่นแหะคือใจนี่แหละถ้าว่าเราได้ศึกษา ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนและลุงพ่อมั่นใจนะมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยจะปักหลักปักหลั ก, กคล้ายๆคำว่ามั่นคงเชื่อมั่นในทำคาสอนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอีกต่างหากสิ่งไหนที่มันไม่ดีข่าไม่ทำข่าไม่ใช่ว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ชั่วตายไม่เป็น พอชีวิตนี้พอประทังเรามีเครื่องเลี้ยงชีพไม่เพียงพอไม่ขนาดนี้ทําให้เพียงพอเออหาแต่จะไปหาในทางที่ชั่วพยายามหาด้วยความมั่นขยั น, านการ ส, สว่างหาทรัพย์ก็จําเป็นเพื่อเลี้ยงร่างกายเราจะปล่อยปะ่าละเลยไม่ได้แต่เราจะปล่อยปะ่าละเลยทางด้านจิตใจหาเที่ยงแต่ร่างกายอย่างเดียวถึงเราจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไปเถอะ เลี้ยงร่างกาย เ, เดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็ตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวหลังคอมผลในสุกนะเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่านะนอนอยู่กับที่ทำเหมือนอาการอากับกิริยาของเด็กเพราะเหตุไรเพราะไม่มีไม่ได้ไปที่ไหนอยู่กับที่ผลในสุกคนนะใจของมันใจมันเป็นได้ทั้งนั้นใจตรงนี้ เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสัตว์ทีรักชานก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เออเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดใจเพราะนั้นท่านให้อบรมใจให้ดูใจใจคือตัวผู้รู้คือนมามธรรมตัวนั้นแหละสำคัญมากในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจเพราะนั้นให้ศึกษาให้ศึกษาเรื่องของใจถ้าพวกเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องของใจแล้วใจเออมีเหตุมีผลใจ หมดจดจากกิเลสใจไม่ลุ่มไม่หลงไม่มัวไม่เมาใจรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งไหนที่ถูกต้องอะไ น, น, นที่เป็นธรรมใจรู้สิ่งไหนที่มันไม่ดีสลัดออกกิเลสโลภโกรธหลงจิตใจบริสุทธ์หลุดพ้นนั่นลริถประเสริ์ในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านให้ชำระใจนะากายนเป็นของภายนอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า รับพร น, นั่นโมตนาให้พร